หลักธรรมในมัทุปปินทิกาสูตรในพระสูตรเนี้ยพระพุทธเจ้านําคําสอนนี้ขึ้นมาแสดงเพื่ อ, อ, อมาสั่งสอนเวเนยศาสตร์ให้รู้ให้รู้ตามเพื่อจะได้ดับทุกข์ <c oughs> ดับทุกข์มันเกิดขึ้นจากกิเลสหรือเกาะหรื อ, ห ร, อหรือสมุทัยสัจจะ ที่กิเลสหรือว่าตัวราคะโทสะโมหันที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่หลักธรรมคาสอนพระเจ้าที่สั่งสอนเหล่าภาษา v o k เนี่ยถ้ากล่าวถึงในเรื่องของคําว่าประโยชน์สอย่างทิฏฐธรรมิกฐะประโยชน์ประโยชน์โลกนี้หรือประโยชน์ตาเห็นสัมปรายิกฐะประโยชน์ประโยชน์ในโลกหน้าแล้วก็ปรมัติประโยชน์ประโยชน์ อย่างยิ่งเนาะเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงพระเจ้าก็ลำดับในลักษณะอย่างนี้แต่ทีนี้พระเจ้ากล่าวถึงสติปัฏฐานสี่แก่ผู้ที่ปฏิบัติที่ติดอยู่กับอยู่ในความอยากใช่เพื่อต้องการจะถอนเพื่อตัณหาที่ยังติดอยู่ในความหรือถ้าติดอยู่ในความถือตัวด้วยมานะหรือที่ติดอยู่ในความเห็นคือทิฏฐิที่ไม่เจริญก้าวหน้าในทางปฏิบัติ แล้วก็ต้องชี้ลงไปว่าอะไรเป็นตัวที่ทําให้หมูสัตว์เนี่ยมันติดอยู่ที่ทําให้ไม่สามารถเดินส ต, ติปฐานหรือไม่สามารถที่จะออกจากกิเลสเครื่องกรงทุกได้ภาษาพากเขาเรียกว่าปะปัญญธรรมใช่ไปะปัญญธรรมก็คือตัวองค์ธรรมของเขาได้แก่ตัณหามานะทิฏฐิเป็นกิเลสเครื่องเนื่นช้าอันนี้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติสติปทานใช่ไหมหรือเป็นอุปสรรคต่อการ การเจริญวิปัสนาของบุคคลที่จะปรารถนาบรรลุมากกนิพพานซึ่งถือว่าจะบรรลุประโยชน์สูงสุดได้ก็เรียกปรมาทัประโยชน์เนี่ยคือประโยชน์สูงสุดในทางพุทธศาสนาฉะนั้นในพระสูตรในเรื่องของการที่ได้ศึกษาปะปัญญธรรมในมัทุปินทิกาสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่ ที่ทรงแสดงก็คือความหมายของพระสูตรนี้เหตุเกิดของพระสูตรแล้วก็หลักธรรมในมัทุปปิณฑิกาสูตรนั้นตรงนี้ก็ต้องต้องไปทําความเข้าใจในความหมายในในพระสูตรสูตรนี้ให้ชัดทีนี้ในด้านของหลักธรรมหลักธรรมก็คือว่าประโยชน์ประโยชน์ที่เราเมื่อเราถ้าเราศึกษาในความหมาย ของพระสูตรทั้งหลายเหล่านี้สิ่งที่เราควรจะได้ก็คือว่าทราบหลักธรรมแล้วก็นำหลักธรรมนะมาปฏิบัติหลักธรรมในมัทุ ป, ปินทิกะสูตรเนี่ยเป็นธรรมสอนความสอนพรธเจ้าที่ดังที่ได้กล่าวไว้ว่าต้องการจะให้หมู่สัตว์นออกจากกิเลสและคลองทุกข์ นี่ดูความหมายกันว่ามะทูในสัพทบนี้มะทูสับนี้ปปแปลว่าเพลาะไแปลว่าหวานก็ได้แปลว่าอร่อยก็ได้มะุูนี่แนะปลว่างามก็ได้มะทูสูตรก็คือพระสูตรนี่นแหละสุดตังสุดตังศัพท์นั้นก็คือเป็นสูตรที่หลังเนื้อความออกมาสุดตะศัพท์นั้นที่หลังเนื้อความหลังความหมายออกมาหลังอัธรสดออกมา ให้เราได้ดื่มดมเขาเรียกว่าสูตรสุดตาบางทีเราเรียกพระสูตรบ้างปลาพจน์บ้างพระพุทธพจน์บ้างนัก็เรียกกันไปแต่จริงๆในสุดตังศัพท์เนี้ยสูตรที่หลังเนื้อความออกมาสุูท่าในความหมายว่าหลังหรือไหลหลังตาปัจจัยกระซ้อนตาตะเลขเว้นสุดตามัทุปินทิกะสุดตาม่มีมัมมมทุศับหนึ่งบวกคําว่าปินทิกะอีกศับหนึ่ง แล้วบวกคาว่าสุดตังวราะ้์ความหมายในมัททุ ป, ปินทิกาสูตรถ้าแปลในความหมายเนี่ยมาก็เลยได้ความหมายค่อนข้างเยอะเลยทีนี้ความหมายเนื้อความเนี่ยอัอธนัยานเนี่ยการศึกษาเนี่ยศึกษามัททุ ป, ปินทิกาสูตรตามที่ท่านขยายไว้ก็คือบัณฑิตผู้รู้อัดถาเแห่งพระสูตรก็จะมีอัดอหอย่างก็คือ หแสดงประโยชน์อัฏฐาในความหมายมเป็นการแสดงถึงประโยชน์ถ้าเราดูจากพระสูตรบางอย่างท่านแสดงประโยชน์ตายเห็นบางครั้งป ร, ประโยชน์เลยตาเห็นไม่มีศรัทธาเป็นต้นบางทีก็ประโยชน์อย่างยิ่งสูงสุดเอาเลยเนี่ยประโยชน์เป็นคําเป็นพระดํารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วพระสูตรเนี่ ย, ยประการที่สาก็เพราะผลิต ผลิตน่ยผลิตประโยชน์ประโยชน์อย่างมากมายทั้งประโยชน์ตาเห็นเลยตาเห็นโดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ที่จะประชุมอริยสัจเนี่ยก็คือหลังไม่ใช่ผลิตประโยชน์หลังประโยชน์ออกมาหลังอัธรรถออกมาหลังเนื้อความออกมาหลังความหมายออกมาก็คือเป็นการชี้ทําให้เราเห็นเส้นทางแนวทางที่เราจะดําเนินกระแสะชีวิตให้ดําเนินไปตามมัชฌิมาปิฎกธรรม เขาเรียกว่าหลั่งประโยชน์แล้วก็เพราะเป็นที่ต้านทานอย่างดีก็คือว่าเนี่ยพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะเป็นที่ต้านทานภัยและอันตรายทั้งหลายเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นอันตรายเกี่ยวกับในเรื่องของฆ่าศึกภายในเพศชาตภายในศัตรูภายใน <c oughs> คือราคาโต๊ะสาวนี้จะเป็นตัวต้านหลั่งประโยชน์ออกมาว่าเราได้ดื่มด่าเข้าไปเป็นตัวเหมือน เหมือนธรรมะรสธรรมะโอสดพอดื่มดั่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้ยขจัดเชื้อที่มีอยู่ป้องกันเชื้อไม่ให้เข้ามาต้านทานอย่างดีเพราะมีส่วนเปรียบด้วยเส้นได้บรรทัดหรือเหมือนเส้นได้บรรทัดเข้ามาตรง เ, เป็นทางดําเนินที่ตรงมุ่งต่อพระนิพพานไม่คดไม่คดเหมือนวาาระจันทร์ครึ่งเสี้ยว เรื่อก็เหมือนหางไถหรือปัสสาวโคปัสสาวโคๆๆอันนี้ตรงเป็นเส้นบรรทัดติง้งไปเลยเนะเป็น ม, นมาชิมัยไหมไม่คตรไปหาการมาสุขการิการในโยกอัตกิลมัฐานในโยกไม่คตรไปหาสาจจะทิฐิและอุเชต ท, ทิฐิไม่คตรไปในด้านของตัณหาไม่คตรไปหาทิฐิหรือมานะองนี้เป็นต้นนะไม่คตรไปในด้านของตัณหาหรือทิฐิ หรือไม่โคตรไปในด้านของอกุศลสังขารหรือกุศลสังขารที่เหลือทั้งหมดนี่เป็นทางดำเนินตรงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาตรงแน่วถึงอนุปาทากริีนิพผานเลยดีไหมเนี่ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะนั้นพระสูตรท่านจึงเรียกว่าเป็นพระสูตรนี่แหละก็แสดงอัดและตรัสไว้ดีแล้วพอผลิตประโยชน์ก็หลังประโยชน์ออกมาด้วย ต้านทานได้โดยดีเพราะมีส่วนเปรียบด้วยเส้นได้หรือเส้นบรรทัดฉนะนั้นมาทูปินฑิกาสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยพระธรรมเทศนาอันไพเราะหรือพระสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมะแก่ทันท่าปานิสากยะดันดะปานิสักยะก็ได้นักโขนต้นมาตูมหนุ่มคือท่านเป็นสักยะวงทันทปานเนี่ยสักยะเนี่ยเป็นญาต ในเวลาพระพุทธเจ้าแสดงจะบอกไพเราะก็ได้มีรสหวานหอม้วยด้มาทุบอกว่าหวานแอกว่าหอมแอกว่าอร่อยพอฟังว่าสูตรเนี่ยมีความหอมหวานมีรสอร่อยซาบซึ้งอิ่มอิ่มเลยว่าไงเนี่ยสูตรนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาพระพุทธเจ้าแสดงเองด้วยนู้อืออ่นสาวกไม่อาจแต่ก็่นแหละมีความหอมหวานมีรสอร่อยนะมีความไพเราะมากใจความคือเป็นอย่างงี้ ก็หมายความว่ามัทูปปินทิการสูตรก็หมายพระสูตรที่ว่าโดยพระธรรมเทศนาที่มีความไพเราะที่แสดงแก่ทันตาปานิสักยนะนัครต้นประตูมหนุ่มเนี่ยใจความก็คือว่าสมณะมีปกติกล่าวอย่างไรเป็นอาทิเป็นตนน้นนะนะท่านก็ขยายไว้บอกว่ามัทูปปินทิกลางได้แก่ขนมหวานมากแต่วอกไม่าหรือเป็นขนมสตุกสตุกก้อนสตุกพง ที่พระถวายอุทญยาหอมมันหวานสับเนี่ยคืออาเสจ ก, กังพอได้ดื่มขนมชนิดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันชื่นชูใจมากพระสูตรนี้เหมือนกันพอได้ดื่มดำได้ฟังไปแล้วรู้สึกใจมันชูใจมันชื่นบานมันเห็นแนวทางอะไรเงี้ยนะมันรู้สึกว่าโอ้เรานี่ปลอดภัยแล้ว ม, มีที่เครื่องต้านทานแล้วอย่างนี้เป็นต้น อย่างนี้เป็นต้นนะนะแล้วก็พอรสที่ปรุงดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเนยใสยน้ำอ้อยน้ําพึ่งเนยน้ําตาลเป็นต้นนะชิวโนะแต่ว่ามีรสที่เลิศกว่า น, นั้นเออมีพระเถระผู้เป็นผู้หนักในเหตุผลอย่างยิ่งคิดเนี้ยเป็นธรรมปริยายแล้วก็ธรรมะเนี่ย พระพุทธเจ้าทรงแสดงนะแต่พระพุทธเจ้าแสดงบางส่วนก็ไว้แล้วก็ให้พระเถระคือท่านป้าหมากัจจายนะเนี่ยท่านขยายต่ อ, อว่าธรรมะนี้เป็นธรรมะปริยายที่มีความอ่อนหวานเหมือนขนมหวานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเธอจงจำธรรมปริยายนี้ว่าทุกพระพุทธเจ้าเป็นคนตั้งชื่อเองอะไรแสดงดีพระถามบอกว่าเรื่องเนี้ยเนื้อความเนี้ย ควรจะมีชื่อว่าอย่างไรพระรัชกาบอกเธอจงจำไว้ว่าเป็นมัทุปปินฑิกะปริยายะก็หมายความว่าเป็นธรรมะปริยายที่อ่อนหวานเหมือนขนมหวานซึ่งมีรสชาติอันเลิศจึงสรุปได้ว่าความหมายของมัทุปปินฑิกะสูตรได้ทั้งสัทท า, น, านในคือในแห่งแห่งสัตวธาคือศัพท์แล้วก็อัตถานายก็คือเนื้อความ ตรงนี้พระตถาจารย์ท่านก็ขยายพระสูตรที่ว่าด้วยพระธรรมเทศนาอันเพราะที่มีรสชาติอ่อนหวานเหมือนขนมหวานเหมือนที่ท่านพระอนุนได้อุปมาอุปไมยการฟังพระธรรมเทศนาพระสูตรนี้ว่าบุรุษผู้ถูกความหิวและความอ่อนเพียคอบงำได้ขนมหวานเขากินในเวลาใดก็จะพึงได้รับอร่อยหวานแล้วก็จะมีความกระตือร้นแล้วก็ชื่นใจมีพลังแม้ชั้นใด หมูสัตว์ทั้งหลายที่งอยเหงาเศร้าสศกพอได้รับรรมาทำมรเทนานนี้เข้าไปแล้วโอ้กัปปี้กระเป๋าขึ้นมามีตาลุกวาวขึ้นมามีพลังขึ้นมาเนี่ยพระสูตรสูตรนี้ก็เลยว่าโอ้เป็นเป็นยาชูกําลังมองเห็นไหมเป็นยาชูกําลังอย่างยิ่งก็เลยไปดูจะเอาพระสูตรไหนนะ มันเป็นเครื่องกล่อมเกลาขัดเกลาให้พวกเราได้มีพลังมีกำลังใจก็อ๋อเอามาทุปินทิกะสูตรนี่แหละสูตรที่มีความไพเราะมีความอร็์อร่อยเหมือนกับขนมที่มีรสหวานที่ปรุงแล้วอย่างดียิ่งกว่าข้าวสัตุผงสัตุก้อนยพระพุทธเจ้าตัดเองเนะตัดบอกว่า เขากินเวลาใดก็จะพึงได้รับรสหวานอร่อยในเวลานั้นบัณฑิตก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อใครครวรธรรมะปริยายะนี้ด้วยปัญญาในเวลาใดก็จะได้รับความพึงพอใจด้วยปราโมทปิติปสัสสติสุขสมได้เกิดความเลื่อมใสแห่งใจในเวลานั้นแล้วพระนลก็เลยทูลหนาพระริยาว่าข้าแต่ว่าองค์จเจริญธรรมะปริยานี้ชื่อว่าอะไรพริยาก็ตัดกอบแก่พรนะนลบอกว่าธรรมะปริยาย อ่อนหวานเหมือนขนมหวานที่พรทเจ้าตรัสเนี่ยพุทธเจ้าเลยตรัสว่า น, นี้ว่ามัทุปินทิกะปริยายะหรือมัุปินทิกะสูตรเป็นสุดตะ เ, เป็นสูตรต่างนั้นคือหลังประโยชน์หลังเนื้อความออกมาแสเข้าสู่กระแสใจกระแสชีวิตคุณธรรมบุญเลยแล้วก็จะเอิบอิ่ ม, มวิรสชาติวานฟังขนาดนี้ยังยั ง, ย, งยังได้ได้ความรู้สึกเลยใช่ไหมอันนี้ขนาดอันนี้เพียงคํา แค่แตะที่นิ ด, นดนหน่อยยังมีรสชาติขนาด น, นี้ถ้าลองไปดื่มดำแต่และประโยคแต่และเนื้อความโอ้มีรสชาติ <c oughs> ทีนี้ในเรื่องของในในคำสอนเหตุเกิดของพระสูตรเนี่ยหรือในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำจารึกหลักธรรมะคำสอนของพระเจ้าเนี้ยแบ่งเป็นสามิฎกใช วินัยยปิดอกก็คือว่าด้วยวินัยของศีลของภิกษุภิกษุณีเป็นต้นพระสุตตันตปิดอกก็คือว่าโดยประทรรเทนะด้วยทั่วไปที่มีประวัติแต่ท้องเรื่องประกอบพระวิธรรมปิดอกก็ว่าด้วยธรรมะ ล, นลน้วนๆไม่มีประวัติหรือเรื่องราวเลยประกอบเลยเป็นลักษณะอย่างนั้นพระสูตรที่เราศึกษากันก็มีทั้งทีคณิกายมัชิมานิกายสังยุตตะนิกายอังคุตระรนิกายขุทธกากนิกายเป็นต้นเหราเนี้ยอันนี้ให้รู้ใจความตรืงนี้นิดนึงแล้วก็แบ่งว่าอย่างทีคณิกาย ก็จัดแบ่งสอนเรียกว่าถ้าใครจบทีขนิกายก็เรียกว่าทีคภพานะกาจาร์พระาจารย์ขออนุญาตเซ็นเอกสารนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้ตรงนี้เดี๋ยวขยายให้ในฝัฟังคือถ้าทีขันิกายในพระนลเป็นผู้จดจำแล้วก็สั่งสอนสิบให้ท่องท่องจำตาม ใครจำทีคณิกายได้ก็เรียกว่าทีฆาพานาการยานน์นหรือหรือว่าทีฆาพาชากะก็แปลว่าเป็นผู้ที่ทรงจำเป็นอาจารย์ที่จำทีคณิกายได้ท่านก็แบ่งออกเป็นประเภทก็คือรวบรวมพระสูตรที่มีความยาวไว้มากเป็นหมวดหนึ่งหรือหมู่หนึ่งเรียกว่าหมวดยาวหมวดยังไยาวมาส่วนมัชมัชนิกายก็ สิทธิ์ของภาษารีบุตรเป็นผู้จดจําเรียกว่ามัชชิมะพานกาจาร์ก็คืออาจารย์ที่ทรงจํามัชชิมะนิการท่านก็แบ่งออกมาเป็นประเภทคือรวบรวมพระสูตรที่มีความยาปันกลางไว้เป็นหมวดหนึ่งหรือหมู่หนึ่งเรียกว่าหมวดปันกลางส่วนสังยุตตานิการนี่พระมหากระสปะเป็นผู้จดจําแล้วก็สั่งสอนสิทธิ์ให้ท่องจําตามก็เรียกว่าสังยุตภานกาจารย์ก็คือท่านก็แบ่งออกเป็น ประเภทประมวลพระสูตรที่มีเนื้อหาประเภทเดียวกันจัดไว้เป็นหมวดเดียวกันเรียกว่าหมวดหรือประมวลเนื้อหาสาระเช่นประมวลเรื่องที่เกี่ยวกับพระหมหากัสปะเทลาเข้าไว้เป็นหมวดเดียวกันเรียกว่ากัสปะสังยุตถ้าเรื่องหมวดของเทวดาเรียกว่าเทวตาสังยุตถ้าหมวดของพรมหมก็เรียกพรหมมาสังยุตถ้าหมวดของมารก็เรียก ม, มาลสังยุตใช่ไหม เนี่ยก็จะเป็นหมวดหมวดหมวหมวดหมว ด, มดอย่างเงี้ยเขาเรียกบบสั่งยุดสั่งยุดนะีส่วนอังคุตตระนิกายก็คือพระนรุธะเป็นผู้จดจําแล้วก็สั่งสอนสิทธิให้ท่องจําเรียกว่าอังคุตระพาก า, าจารย์อาจารย์ที่ทรงจำอุอังคุตตระนิกายอันนี้ก็แบ่งออกเป็นประเภทคื อ, คอนิกายเป็นไปตามลําดับจํานวนองค์ธรรมหรือหัวข้อธรรมหรือเป็นรวบรวมพระสูตรที่มีข้อธรรมเท่ากันไว้เป็นหมวดเดียวกันเช่นว่า ทำมามดหนึ่งหสองนี่เอากะนิบาต ท, ทกะนิบาตติกกะนิบาตจตุกะนิบาตปัญจากะนิบาตเนี่ยเป็นหมวดหมวดส่วนขุตกะนิกายก็เป็นขุตกะนิกายท่าน <c oughs> ไม่ได้กล่าวแต่อย่างใดแต่ท่านได้แบ่งออกเป็นประเภทก็คือนิกายที่จัดเป็นประสูตรที่ไม่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดในขั้นต้นเนี่ยเป็นหมวดเดียวกันก็เป็นหมวดเล็กๆน้อยๆก็มารวมไว้ในขุตกะนิกาย เป็นธรรมะหมวดเบตเตอร์เรตเอามาไว้ในนี้หมดอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เหตุเกิดของพระสูตรเนี่ยในพระไตรปิฎกก็มีอัตตชาสยะเป็นไปตามพระอัจาศัยของพุทธเจ้าใเวลาพุทธเจ้าแสดงบางทีพระเจ้าเป็นเพราะอัจาศัยของพระองค์ที่จะแสดงอันนั้นเป็นเพราะเหตุเพระ า, าพระทรงอัจฉริยะปัชชาสยะก็คือเป็นไปตามอัจาศัยของผู้อื่น ผู้อื่นมีอัธยาศัยอย่างไรวุฒิยาแ ส, สดงทางอธัธยาศัยของบุคคลนะยางจะเป็นต้นนะเช่นว่าเห็นยอมบีมีอธัธยาศัยอย่างไงก็เอาอธัธยาศัยที่สั่งสมมาทั้งหมดประมวลบอกเลยปึ๊ดปๆ๊ปปปปเลยส่วนที่อธัธยาศัยที่ไปตามพระองค์เองเพระองค์รู้นี่ในสังสารวัตทั้งหลายเหล่านี้ใช่ไหมหมู่สัตว์ที่จะต้องฟังพระธรรมจากพระเจ้าเนี่ยหลังจากพระองค์ป ร, ริิพ涅槃ไปแล้วอะไรก็แล้วแต่พระองค์แสดงเลย เป็นประโยชน์แก่คนคนกลุ่มหมู่คนเหล่านั้นด้วยและยาวนานนี่พระเจ้าทรงชันแล้วก็เป็นปุจฉาวสิ ก, กะก็คือเป็นไปตมนนามอำนาจในการถามจะมีผู้ถามในขณะนั้นก็แสดงเลยในขณะนั้นน้แล้วก็อัตถุ ป, ปัติกะก็ก็เป็นไปได้เหตุที่เกิดขึ้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นสถานการณ์เกิดขึ้นใดๆทั้งหลายอะไย่างนี้พระเจ้าก็ยกเหตุนั้นเรื่องกาวนั้นขึ้นมาตรัสมาบอกนี้เป็นต้น ในการแสดงเหตุที่ยกมาทั้งสี่ประการดังกล่าวเนี่ยมัทุปปินทิกาสูตรเนี่ยมีเหตุที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจของการถามเพราะมัทุปปินทิกาสูตรเนี่ยพระเจ้าทรงยกขึ้นแสดงในเพราะเหตุที่ทันธปาณิสักยะเนี่ยทูลถามกับพระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่นิโคธารามที่กาเบรพาธแขวนสักกะเราไปกันมาเลยนึกย้อนทันทะสักยะ ท่านถ้าปานิสากระยานเนี่ยเป็นผู้ถามในพระสูตรเนี่ยเวลาเราศึกษาคำสอนพุทธเจ้าให้ครบวงจรเนี่ยเขาจะบอกเรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่อยู่ๆแสดงปังๆๆเลยยกเลยเราจะรู้เลยอ๋อเนี่ยเหตุเกิดยังไงยังไงเรื่องราวเป็นมายังไงพระสูตรนี้ทรงแสดงไปตามอธัธยาศัยประเภทไหน เป็นกลุ่มอัธยาศัยของพระ อ, องค์เองหรือเป็นไปตามอัธยาศัยของผู้อื่นหรือเป็นไปด่วมนานการสอบถามหรือเป็นไปเพราะเหตุที่เกิดขึ้นอ๋อในในสูตรนี้เป็นไปด้วยเหตุแห่งการมีผู้สอบถามฉะนั้นในมาทู ป, ปินที่กัดสูตรนี้เป็นพระสูตรเป็นคําสอนพุทธิจถาที่ปรากฏในพระตรปิฎกทีนี้มีทั้งบาลีอัตถกถาที่ท่านแสดงกันไว้เนี้ ในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงเกี่ยวกษุทั้งหลายในขณะที่องค์ประทับอยู่ที่นิโคทารามกรุงกบิรภัติเนี่ยพุทธเจ้าก็ปารบเจ้าสากะยะที่ทันทปานี้แต่ทรงแสดงเพียงหัวข้อเท่านั้นพระอุเทศไม่ขยายพอแสดงหัวข้อเสร็จปุ๊บพุทธเจ้าก็กลับเข้าสู่วิหารเลยท่านพระหมหากระจายนะแสดงต่อจนจบภาคนิเทศอุเทศแล้ว คนที่ขยายนิเทศมหากัจรยานะซึ่งพุทธิยาแสดงเนี่ยแสดงหัวข้อที่ทรงแสดงเพียงอุเทศนั้นก็เพราะทรงประสงค์จะชมเชยพระมหากัจจยานะคงจะยกยอกมาสมมติว่าจนมายกหัวข้อเสร็จปุ๊บแล้วท่านเข้าไปเลยใช่ไหมบางทีท่านไม่ต้องบอกนะปั๊ะ ท่านพระม ห, หากระเจี ย, ยนะเนี่ยที่เรียกว่าปุกคะระถมนัตถังที่บอกว่าเพื่อชมเชยบุคคลเนี่ยเพราะเ ห, เหตุเกิดพระสูตรนี้จัดอยู่ในประเภทปุจชาวสิกะและลักษณะของมัทุปปิณิกาสูตรนี่ก็เป็นการบรรยายวิหารแบบถามตอบฉะนั้นในมันทุปปิณิกาสูตรนี่เกิดขึ้นในขณะที่พระเจ้าประทับอยู่ที่นิโคทรามใกล้กรุงอุเบกพัฒ์ดังที่ได้กล่าวที่แสดงแก่ทันทัปปานิสากยะ กำลังเสด็จตอนนั้นเนะี่ยเจ้าสกรลยะนี่เสด็จเดินเล่นเที่ยวเดินเล่นก็เข้าไปในป่ามหาวันที่พระรยาประทับอยู่กิตตุลมาตูมหนุ่มก็ได้ปราศัยพระจ้าพอผ่านการปราศัยให้ลึกถึงกันแล้วก็ได้ยืนยืนได้ยืนยันไม้เท้านะนะนะส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ทูลถามพระจ้า ว, ว่าสมณะมีปกติกล่าวอย่างไรมีปกติบอกอย่างไรพระองค์ตัดตอบเลย่้ว่า ก็ตรัสบอกว่าตัดตอบคาถามแก่ทันทตปาณิสักยะโดยชีย้ไปว่าทรงมีวาทาและตรัสบอกในทางที่ไม่ทะเลาะ ก, กับ ใ, ใครๆที่จริงทันตปาณิสักยะไม่ได้ศรัทธาที่ใดในโลกพร้อมทั้งเพทวโลกและในทางที่สัญญาความกําหนดหมายด้วยกิเลสพูดเรื่องกิเลสสัญญาพูดเรื่องปัปัญญาสัญญาบอกว่าเขาถามบอกว่าสั ม, มณะมีปกติกล่าวอย่างไรมีวาทะอย่างไรใช่ไหม เพราะว่าทันทาสาักนี้ทันทาปานิสักยะบอกอย่างนี้พระเจ้าก็เลยบอกว่าบอกว่าโดยคี้ว่าทรงมีวาทะและตรัสบอกในทางที่จะไม่ทะเลาะกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกและในทางที่สัญญาคือความกำหนดหมายด้วยกิเลสจริงๆฉันใช้คำว่าสัญญาอย่างเดียวแต่นี่ขยายก็คือว่าที่กำหนดหมายด้วยกิเลสที่เป็นกิเลสสัญญาจะไม่แฝงตาม นั้นเวลาบุคคลที่กล่าวพระธรรมเนี่ย อ, อรืววมพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีเนี่ยเวลาจะเปล่งกล่าวอะไรเนี่ยไม่มีกิเลสไม่มีตัวปรับปัญญาสัญญาเป็นตัวปั่นเป็นตัวกระตุ้นให้พูดให้แสดงบอกเลื่ภาพออกมาให้มองให้เห็นให้เดินเป็นต้นอะไรเนี่ยคือปราศจากความทยานอยากในพบได้นะว่างั้นเดีไม่ไม่แฝงตาม บุคคลผู้อยู่อย่างไม่ประกอบด้วยกามด้วยผู้ร้อยบาปผู้สิ้นสงสัยรังเกียจบาปปราศจากความทยานอยากในพบน้อยและใหญ่นี่แต่อตอบแค่นี้แล้วก็เล่าเรื่องที่ตรัสตอบคำถามทันท่าปานนี้สากยะให้ภิกษุทั้งหลายฟังเมื่อภิกษุรูปหนึ่งขอให้ทรงอธิบายก็ทรงอธิบายอย่างยอ่อๆที่จริงอพระญาติคุยกับ ทันทะปานิสักยะคับต่อมากลับมาก็มาเล่าให้พระฟังแต่พอเล่าให้พระฟังไม่เล่าย่ <c oughs> อโอเคพิคเจอทั้งหลายก็ยังไม่อิ่มฟัง <c oughs> แล้วแมวนเหมือนอยากได้เนื้อความอยากได้รายละเอียดอยากให้เจาะรายละเอียดลงไปใช่ไหมบอกแค่อาหารมันอยู่น มาทำมาปรุงไม่เป็ น, เ, นเรื่องนี้เลยเป็นภาระของพระมหากระจายยา น, นะทีนี้ภิกษุทั้งหลายก็เลยไปหาพระมหากระจายย น, นะก็อธิบายโดยลอีพระเถระก็อธิบายขยายความเพื่อพจน์สั้นๆที่ว่าส่วนแห่งการกําหนดหมายด้กิเลสเป็นเหตุให้เนิ่นช้าที่เรียกว่าปะปันจะสัญญาสังขารมีคําว่ามีศัสา์นีด้วยเนะปะปันจะสัญญา แล้วก็คำว่าสังขารสังขาร ส, ส, ส่วนต่างต่างส่วนต่างต่างทีนี้ย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดว่างั้นเถอปะปปัญจะสัญญาเนี่ยถ้าไม่เพิดเพลินไม่ยึดถือในเหตุนั้นก็หมายความว่าพูดถึงเรือ่องอายตนะสิบสองเลยอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหก ได้ได้นั่นแหละเป็นที่สุดแห่งกิเลสที่แฝงอยู่อนุสัยเจ็ดมีการมาราคานุสัยเป็นต้นจนถึงอวิชานุสัยเป็นที่สุดกิเลสที่นอนซ่อนอยู่ในขันธสันดานนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้สตรากการทะเลาะหรือการชี้หน้าด่าทอาการส่อเสียดการพูดปดเป็นต้นเหล่านี้ยคือหมายความว่าถ้าบุคคลใดยังมีการถกเถียงหรือมีการพูดออกมา ด้วยกิเลสสัญญาด้วยปัปปันจะสัญญาด้วยตัวกิเลสตัวปั่นเป็นตัวกระตุ้นเตือนแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ขัดแย้งกันนะข้านะข้าก็ถือมัดถือไม้ถือมีดถือปืนประหารประหารแข็นฆ่ากันยกพวกกันก็แยกกันเป็นหมู่เป็นเหล่าชัดมองเห็ น, นยังเอนมาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นจะบอกว่าเราจะไปเดียวงานเนี่ยแล้วคนนั้นเดียวโอ้โ oh, หถามว่า คนที่จะดิวหรือจะเป็นคนที่ไปสื่อสารได้ดีที่สุดต้องสามารถข่มปัปปันจะสัญญากิเลสสัญญาอากุศลสัญญาถ้าข่มกิเลสตัวปั่นนี้ได้เมื่อไหร่หรือปัปันจะทําได้ตัณหาอนัตติทีได้ไม่มีกิเลสเหล่านี้ยเป็นเครื่องเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตแล้วบุกคลนั้นก็เป็นอิสระสิไปกับไครก็ไม่น่าเนี้ยคิ้วขมวดเป็นต้นไม่ต้องใช่ไหมที่พวกเรานี่ไม่ได้เลย ในบางสอบไม่ค่อยผ่านนะที่มันมีไอ้ตัวนี้ฝังรากลึกอยะ่ต่อยันไหมทีนี้สรุปอย่างนี้ก็คือลำดับธรรมะก่อนลำดับธรรมะระดับหนึ่งก็คืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกใช่ไหมชี้ว่าตามหัวโจกเล่นกายใจนี่อายตนะภายในสีเสียงกิริย์รสปอยพราธรรมอารมณ์อายตนะภายนอก น่นชุดหนึ่งแล้วก็ธรรมาสามประการคืออยายตนะภายในอยนายตนะภายนอกและวิญญาณเนีเป็นต้นแล้วก็ผัสสะคือการถูกต้องเกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อรู้สึกอารมณ์ใดก็จาอารมณ์นั้นได้มีเวทนาก็ต้องมีสัญญาโยมเนยมันเชื่อมกันอย่างนี้เดี๋ยวค่อยๆเจาะไปเป็นเรื่อง การจำอารมณ์ใดได้ก็จะตรึกตรึกในอารมณ์นั้นการตรึกในอารมณ์นั้นเรียกสัญญาเกิดขึ้นเวลาใดก็มีวิตกในเวลานั้นใช่ไหเมื่อตรึกอารมณ์ใดก็เนื่นช้าอยู่กับอารมณ์นั้นขอเคลียร์ไหมก็ตรึกเนื่นช้าอยู่ในอารมณ์ใดส่วนเหตงการกำหนดหมายด้วยกิเลสก็เป็นเหตุให้เนื่นช้าในรูปที่พึงรู้ได้ด้วยตาเป็นต้น ทั้งที่เป็นอดีตนาคาหรืปัจจุบันก็ครอบงมเขาพเพราะเหตุนั้นสรุปก็คือจากอายตนะเนี่ยเดี๋ยวสั้นๆตรงนี้นิดนึงก็คือว่าภัทธะมีตามีรูปมีการรู้แจง้งในจกักรยุยงและมีตัวเชื่อมนี้เป็นภัทธะเพราะภัทธะเกิดขึ้นมาป๊อบเกิดมีความรู้สึกสุขทุกเฉย พอมีความรู้สึกสุขทุกเฉยๆเวลาใดก็จําจําในเรื่องนั้นพอจําในนั่นได้ก็เกิดความมิตรกพอตึกในรมใดก็จะเนื่นช้าอยู่ในรมเขาก็พลอยตึกปุ๊บขึ้นมาตันหามาบ้างมานะมาบ้างทิศทีมาบ้าก็จะเนื่นช้าในการเนื่นช้าเขาเรียกปัปปันจะ ส, สัญญาสังขารส่วนนะมีส่วนแห่งการเนื่นช้าโหมีแต่แขนงออกมาสังขารแตกแขนงออกมา วนๆๆอยู่กันในเรื่องนั้นเนื่นช้าอยู่ในรมใดส่วนแห่งการกําหนดหมายกิเลสเหตุให้เนื่นช้าอยู่ในรูปที่พึงรู้ได้เดยตาเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นอดีตไม่ว่าจะเป็นอนาคตไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันก็ครอบนำเหตุ น, นั้นเมื่อ8ดก็คือเมื่ออายตนาภายในมีอายตนาภายนอกมีวิญญาณก็มีฐานะที่จักบัญญัติ บัญญัติผัสสะเพราะมีการกระทบกันระหว่างอายตนาภายในภายนอกและมีการประชุมเหตุการ์มีการประชุมกันเกิดการบัญญัติว่าผัสสะจึงเกิดแท้จริงสภาว่ธรรมตัวเนี้ยมันมีความจริงอยู่ตรงเนี้พระเจ้าก็เลยบัญญัติความจริงตรงนี้อันนี้แหละเรียกผัสสะดังนั้นการบัญญัติว่าผัสสะมันจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการบัญญัติผัสสะก็มีฐานะที่ต้องบัญญัติเวทนาตามมาเพราะมันมีความรู้สึก สุมีความรู้สึกทุกข์มีความรู้สึกสเฉยเฉยใช่ไหมจะบัญญัติแค่ภาษาไม่ได้แล้วบัญญัติเวทนาตามนี้เมื่อมีการบัญญัติเวทนาก็มีฐานะต้องบัญญัติวิตกพะมีการตรึกการตึกบนอยู่ในเรื่องนั้นการยกจิตการตรึกพรอมีการบัญญัติวิตกจึงมีฐานะที่ต้องบัญญตัติการครอบงําส่วนแห่งการกําหนดหมายด้วยกิเลสเป็นเหตุให้เนิ่นช้า เรียกว่าป่าปันสัญญนยาครัพระพุทธเจ้าทรงทราบเนี่ยการที่ท่านท้ามหากระจายนะท่านอธิบายแบบเนี้ยเจาะรายละเอียดอย่างเงี้ย ต, ต่อมาพระพุทธเจ้าโมทนาองโอ้โหแสดงถ้าพระพุทธเจ้าแสดงก็เป็นเหมือนนี้ <laughs> แสดงได้ชัดคอก บ, บอกรายละเอียดครอบทวนว่าไงนะอะไร น, นี้บอกคร่าว กระยกย่องพระมันเสร็จแล้วก็เวทนาสุขทุกเฉยเสร็จแล้วก็ไปเจริญกาเดี๋ยวตรงนั้นตรงนั้นว่าจริงเดี๋ยวจะขยายอยู่แล้วต้องขยายอยู่นี่พูดแบบย่อได้ได้นี่พระตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้านุโมทนาพระมหากรจเจียนนะ พระนอนกราบทูลสารเสริญคําอธิบายว่าเหมือนคนหิวกระหายอ่อนกําลังได้ขนมหวานแล้วมีแรงขึ้นมาอย่างนั้นก็ตรัสให้เรียกธรรมะปริยายนี้ว่ามัททุปินที่กาปริยายะบรรยายที่เปรียบเหมือนขนมหวานนี่ที่มาที่มาเป็นอย่างนี้ที่ในมัททุปินที่กาสูตรนี่เป็นหลักธรรมที่ปรากฏ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ทันท่าปานิสาคยะนําไปตรัสแก่ภิกษุเริ่มต้นที่สัญญาโดยในที่พระองค์แสดงอุเทศพูดถึงในเรื่องของปปัญญาสัญญาพูดถึงอายตนะสิบสองพูดถึงวิญญาณหก <c oughs> พระพองค์เนี่ยทรงตัดหลักธรรมในมัทุธ ป, ปินิกสูตรถึงแม้พระองค์จะไม่ทรงแสดงโดยพิสดารแต่ภายหลัง พระมหากระจายนาะอธิบายพิสดารตามที่ภิกษุเหล่านั้นถามทีนี้คําว่าปปัญจะเนี่ยขยายความหมายเนี่ยปปัญจะนี่แปลวกว้างขวางแปลพิสดาร น, นอกจากนั้นยังได้ยกถ้ายกความหมายเองก็คือว่าพิสดารและกว้างขวางเนี่ยเหมือนกันก็นํามาใช้เป็นศัพท์ ที่เป็นทางวิชาการในทางพุทธศาสนาเขาเรียกปปัญญธรรมธรรมที่ทําให้เนิ่นช้าทําให้ทําให้พิสดารนี่นะกว้างขวางเนี่ยก็คือตัญหาตัวหนึ่งมานะตัวหนึ่งทิฏฐิตัวหนึ่งเขาเรียกปปัญญาธรรมธรรมที่ทําให้เนิ่นช้าจะแปลว่าธรรมที่กว้างขวางธรรมที่พิสดารมากๆก็เลยเอตธรรมะตัวนี้อกุตตะรธรรมตัวนี้หมายถึงธรรมะเครื่องเนิ่นช้าหรือกิเลส ท, ที่ทําให้คิดปรุงแต่ง ยืดเยื้อพิสดารวิตฐานก็นได้พิสดารกันเลยทําให้ยืดเยื้อเคยไหมเคยถูกมันปรุงไหมแล้ววิจิตพิสดารไหยปั่นไหมเป็นตัวปั่นอย่างมากนี่แหละนี่แหละเป็นธรรมะเครื่องเล่นช้ากิเลสที่ทําให้ปรุงแต่งยืดเยื้อยืดเยื้ออย่างพิสดารเราถูกกิเลสตัวเนี้ยไอตัวปัน่นตัวปั่นจะทอสัญญาไอสัญญามีความหมายหลายอย่างนะ เอสัญญาที่มาจากภาษาบาลีที่มแปลว่าสั่งและก็ยาเนี่ยอปัจจัยอาการนันที่สําเร็จมาจากสัญญาภาษาไทยคําว่าสัญญาเนี่ยสั่งนี่แปลพร้อมต่อเนื่องและติดต่อสัญญาในความหมายว่าประชุมก็เนี่ยยาแปลรู้เช่นถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าเดี๋ยวดึงมาจะไม่ไม่กี่ความหมาย จับคำว่าสัญญาเนี่ยสภาวะที่กําหนดหมายสภาวะกําหนดหมายอยู่ด้วยถ้าเรแปลตามไม่ตามาธรรมชาติที่จํามาลงอย่างนี้ชัดไหมดงั้นสัญญาในสัญญาบางทีใช้ในความหมายคําว่าจิตนะ เ, เช่นคําว่าเนวะสัญญาณสัญญายาตนะบางครั้งมีสัญญาบางครั้งมีสัญญาตรงนั้นน่ะเป็นจิตนั่นนี่พูดถึงตัวมโน พ่อ ถ, ถึงตัววิญญาณเพื่อถึงตัวจิตอย่างเช่นสัญญาเวทฤิยิเตณิโรธก็คือดับจิตดับจิตและดับใจสิกเลยเรียกว่าสัญญาเวทฤทธิตณิโรธในสัญญาตรงนั้นท่า น, นบางทีได้ยินคำว่าสัญญาเนี่ยจะเป็นหมายแค่ว่าแค่ความจําอย่างเดียวหมายถึงตัวจิตเลยก็ได้ส่วนสัญญาในความหมายของคําว่ากิเลสเนี่ยเช่น กิเลสสัญญากิเลสทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าสัญญาในที่นี้เห็นไหมว่ะกิเลสสัญญากิเลสสัญญาในความหมายก็คือปปัญญาธรรมนั่นเองคือเป็นกิเลสที่เป็นเครื่องเนื่นช้าปปัญญาสัญญาเนี่ยแปลว่าสัญญาอันประกอบด้วยเครื่องเนื่นช้าพูดให้ตรงสภาวะคือสัญญาที่ประกอบกัตตหาวนาทิฏฐิพร้อมไปเกิดร่วมกันละยุ่งเข้าใจ แท้จริงสัญญาก็ตัวหนึ่งนะเป็นสัญญาขันนะไอ้ตัณหามรรณทิฏฐิเป็นสังขารและขันถ้ามันเป็นสหและคตกันไประกอบประกอบกันขึ้นมาอยู่พวกเดียวกันมาเขาจึงเรียกว่าปัปปัญจะสัญญาถ้าปัปันจะทำถ้าปัปปัญจะทำไม่มีสัญญาใช่ถ้าปัปปันจะสัญญาเอาสัญญาไปบวกด้วยกับตัณหามนาทิฏฐิมันจึงเป็นความจําด้วยตัณหาความจได้มันนะความจําที่มีทิฏฐิ ชัดไหมเงี้ยเออเออได้เห็นรากมันให้ชัดในบรรดาผู้ที่ต้องการจราะล้างกิเลยก็ต้องรู้จักหน้าตามันให้ชัดเออพอรู้จักชัดขึ้นมาว่าเออพระธรรมโง่ระ อ, อ ย, ย่าจะเจาะทะลุทะลวงทำไปแล้วเนี่ยยิ่งรู้มันได้ยิ่งดื่มด่าปัญญาได้ยิ่งดื่มด่ําสติได้ได้ดื่มด่ำสมาธิดื่มด่ำความเพียรที่ถูกต้อง และดื่มดำศ ร, รัทธาตรงนี้โอ้ยมีรสอร่อยผู้ยรู้ความจริงแหมยิ่งรู้ความจริงขนาดรู้ยังอร่อยขนาดนี้ทะละยิ่งอร่อยใหญ่ทะละได้ยินเด็ดขาดโอ้ยได้คำว่าโคตรอร่อยเข้าใจยังเป็นอย่างนี้เลย <c oughs> นี่สัญญาในลักษณะอย่างนี้สัญญาที่ประกอบด้วยเนินช้าคือประกอบด้วยตระหนักรูที่ถี เรียกว่าสัญญาที่สัญญาในความหมายวิทิติหมายถึงทิฏฐิที่ก่อให้เกิดสัญญาเช่นได้แก่ทิฏฐิเกิดแต่สัญญาก็ได้ทีนี้มาดูความหมายนิดนึงตรงนี้ก็คือว่าสัญญากําหนดหมายความจําได้หมายรู้คือหมายรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภและอารมณ์ที่เกิดกับใจจะเป็นเขียวขาวดําแดง ดังเบาเสียงคนเสียงแมวเสียงะระฆังกลิ่นทุเรียนกลิ่นมะปางสับประรดหนึ่งและจำได้รู้รู้จำอรู้จักอารมณ์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นในเมื่อไปพบอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็สามารถจำ น, ะนันสัญญาเป็นหนึ่งในขันห้าเขาเรียกสัญญาขันรูปเวทนาสัญญาเป็นขันที่สามใช่มลําดับ ในขันห้าแล้วก็สามารถที่จะมีหกอย่างถ้าแจกไปตามอารมณ์เช่นรูปปรสสัญญาจาในเสียงสัทธสัญญาจำในรูปปสสัญญาจาในรูปสัทธสัญญาจาในเสียงขันธัสัญญารัศดาสัญญาบุตรปัสัญญาและธรรมสัญญาไหมถ้าแจกไปตามอารมณ์แจกไปตามทวารต่างๆสัญญาก็เลยเป็นหกที่มันมันมันไม่ยากก็คือตรงนี้ ะฉะนั้นถ้ามองงี้ก็คือว่าความหมายของสัญญาในแบบบาลีหมายถึงสังเกตว่าทำกาเป็นสัญญาคือความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในสัญญาขันความกําหนดได้หมายรู้รวมทั้งความรู้ที่เกิดจากการกําหนดหมายและหมายรู้บันทึกเก็บรวบรวมไว้เป็นวัตถุดิบของความคิดต่ อ, ตอไปนั้นสัญญาในเก็บพอเก็บเบเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นตัวคอย ปรุงจิตให้คิดให้ทำงานต่อไปตรงนี้เขาจึงเรียกว่าเป็นจิตสัสมขานเป็นตัวปรุงแต่งจิตใช่หสัญญาด้วยเวทนาด้วยสองตัวนี้นะ่ไอ้ตัวนี้แหละเวลาเราเก็บจำเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายไอ้วัตถุดิบที่เก็บเก็บ เ, กบเข้าไปเนี่ยมันไปปรุงต่อนี่มันไปปรุงต่อพอมองเห็นนี่ยัง ในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าเป็นทําให้เกิดความคิดยิ่งยิ่งขึ้นไปทีนี้าเรียกสัญญานี้เป็นสัญญาแท้ๆก่อนส่วนสัญญาที่แบ่งไปตามอารมณ์นย่างที่เราบอกว่าเป็นหกชนิดเนี่ยเป็นรูปสัญญาสัญญาที่เกี่ยวกับรูปสัทธาสัญญาเกี่ยวกับเสียงคันธาสัญญากลิ่นรสสาสัญญาเกี่ยวกับรสโภชนาสัญญาเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องกายธรรมาสัญญาก็คือ สัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องในใจรู้จักนึกคิดนึกทั้งหลายสัญญาว่าโดยสภาพปรุงแต่งสัญญาก็แบ่งเป็นสองระดับนะระดับต้นกับระดับซ้อนเสริมถ้าระดับต้นก็คือได้แก่ความรู้ความกำหนดหมายตามสภาวะของสิ่งนั้นๆอย่างนี้มันจำแบบบริสุทธิ์ล้วนๆเลยนะเช่นสีเขียวดาวค่ะ ขาวเหลืองอ่อนเปรี้ยวหวานกลมยาวสั้นเป็นต้นเหล่านี้ที่เป็นไปกับปัญจทวาริกาศสัญญาคือสัญญาที่เป็นไปกระทางทวารตาหูาจมูกลิ้นกาย5ทางเนี่ยนะเกปัญจทวาริกาศสัญญาที่เป็นไปทางปัญจทวาราคือความรู้สึกที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสผพิภพัสัญญาอื่นต่อจากนี้เป็นสัญญาทางมโนทั้งหมดเลยทางมโนทวารทั้งหมดเลย เช่นจำอดีตอนาคตจำเรื่องราวต่างๆเลยทั้งหลายอะไรเนี้ยใช่ไหมหรือจะคิดไปหาอดีตคิดเป็นอนาคตคิดไปในเรื่องอื่นดังนั้นสัญญาที่เกี่ยวกับในเรื่องของจำหมายเนี่ยสั้นแคบแต่สัญญาที่เป็นไปทางมโนทวานนี่โอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลเป็นมหากราบเลยว่างั้นเป็นเรื่องราวมากมายใช่ไหมเริ่มเห็นนี่ น, นี่นี่เขาเรียกว่าอาณาจักรของเขาเรื่องราวของเขา อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสัญญาที่เป็นไปนในทางมนโนทวารทีนี้เป็นสัญญาที่ซ้อนเสริมขึ้นมานี่สิได้แก่ความหมายรู้ตามความคิดปรุงแต่งจำมาแล้วมาปรุงแต่งต่อใช่จสีมาปรุงแต่งสีต่อจําเสียงมาปรุงแต่งเสียงต่อจากลิ่นมาก็ปรุงต่อจํารสมาก็ปรุงต่อจโผดผาภ้ามาจาเรื่องราวเรื่องราวทางหลัง ก็มาปรุงต่อยังงี้ก็เยซ้อนเสริมขึ้นมงตัวไหนมากกว่ากั <c oughs> นงนั้นความรู้สึกว่าอืมไอการปรุงแต่งในระดับต่างๆเช่นสวยหน้าเกลียดหน้าช่างไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวโดวยไรก็ต่างๆที่แยกเป็นสัญญาซ้อนเสริมเนี่ ย, ยแบ่งเป็นสองกลุ่มนะ กุมที่เป็นสัญญาที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเรียกว่าประปัญญสัญญาคือสัญญาที่มันซับซ้อนหลากหลายที่เกิดจากการแต่งเสริมเติมต่อให้พิสดารของตัณหาตัณหามาปรุงแต่งญิงมานะมาปรุงแต่งร่วมกับสัญญาไปนี่แล้วก็ทิฏฐิมาปรุงแต่งโอ้โหเนี่ยเป็นกิเลสสัญญาสัญญาจําพวกนี้ถูกกิเลสปรุงแต่งให้ฟั่นเฟือแล้วก็ห่างเหวเฉ๋ยฉออกไปจาก ทางเห็นความรู้ทันทีมันออกแล้ววิ่งไปแล้วปุ๊บปุ د, ป د, ปปุ๊ไปที่ความรู้แล้วไม่เป็นเรื่องของความรู้แต่เป็นเรื่องของการที่จะให้เกิดความโลภเป็นเรื่องที่เกิดความกโกรธเป็นเรื่องที่เกิดความหลงแทนที่จะให้เกิดความรู้กับกายเป็นเครื่องปิดกัน้นบิดเบือนความรู้นี่นะเรื่องเห็นใช้บริการมาเยอะสิทา่านใช้บริการเยอะมั้ย มันวิ่งออกจากความรู้ไปเหมือนเหมือนความรู้อย่าแปลกใจเดี๋ยวสักพักกันเขียแ ป, ป๊บแ ป, ป๊บแ ป, ป๊บ <laughs> อออกมาทั่วเลยเต็มไปหมดแล้ว <laughs> โ, อ โ, โอ้โหแล้วลองคิดดูทีลนยะโทษของปปันจะสัญญาดูที เกลื่อนไม่หมดเลยนี่แหละสมุทยัทยสัจจะนั่นแหละคือเหตุแห่งทุกทั้งหมดเธอได้แต่งขึ้นว่าได้ทำไวเรียบไม่ไหวก็พอกว่าไม่ไหวนะเดินต่อไหวไห้ย <c oughs> ไหวไห้เนะออกยัง ไ, ไหวไหมั้ย นี่เป็นกิเลสสัญญาสัญญาที่เกิดจากกิเลสสัญญาที่ประกอบด้วยกิเลสสัญญาพวกนี้ก็คือปรุงแต่งปั้าเผือมากห่างเหินเชื้อชัยออกนอกทางในความรู้ไม่เป็นไม่เป็นเรื่องของความรู้แต่เป็นเรื่องของการที่จะให้เกิดโลภมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโกรธมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฟุ้งซ่านลังเลสงสัยมากขึ้นมากขึ้นมันออกนอกทางเรียบร้อยอยู่กับจินตนาการอยู่กับโลกของปัปปัญจะสัญญาเรียบร้อย มันฟ้ปมฝือปรุงแต่งจินตนาการมากมายเนี่ยวิชาทุกวันที่สอนกันอย่างนี้มีนใช้ได้ปรุงแต่งจนนอนไม่หลับใช้ได้จนนอนไม่หลับไปหาจิตแพทย์ดีกทีใช่ไหมนี่ทำยังไงเมื่ออวิชาของพระพุทธเจ้าที่จะให้ดับปั่นจิสัญญากับวิชาทั้งหมู่สัตว์ทั้งหลายสอนให้เกิดปั่นจิสัญ ญ, ญา ใครมีจินตนาการมา ก, กเ็าเรียกว่าโลกเจริญเศรษฐกิจเบื้องบูรลายได้เข้าประเทศเยอะใช <laughs> ่ไหมการการวัตถุเต็มโลกไม่ไปหมดเลยเต็มหมดเลยนี่ออกไปโอ้โ oh, ห oh, มันอะไรเนี่ยขึ <laughs> ้นไปบนเครื่องบินมองลงมาโอ้ oh, ระปันผลผลิตของประปันจะสัญญาเนี่เพราน้นทนทึกหมดเลยอ่ะ ตกใจมากเลยนะเวลานั่งบนเครื่องบินแล้วมองลงมาเออคือตายแล้วเว้ยมันปั่นป่วนเป็นกิเลสป้้มเผือเป็นตัวปั่นวุ่นวายหนแล้วเนี่ยแล้องจะเป็นยังไงขนาดนี้พังแน่นอนเมื่อกิเลสแค่คนหนึ่งมันก็โหอลังการละแล้วเสือมีอ๊ะขอไปแล้วถัดไ ม, มีอำนาจก็อีมีทรัพย์มีอำนาจมียศก็อีโอ้มันบงังคับให้คนอื่นเป็นปุงแต่งซ้อนเสือบอกว่าลงทนุนขนาดใหญ่ว่ากอ้โห มาแล้วแต่เนี้ยเอาอ่ใยคิดหน่อยสิโอไปคิดใหญ่เลยตรนี้คิดโอ้โหปปานจะสัญญากลเลดสัญญาโอหเดี๋ยวออกเงาจากความรเลยเมื่อหึมาเลยทุกข์สัตย์เต็มไปหมดเลยเดียวนะี้ปัญหาทั้งนั้นเลยอออื mm hmm. ขนาดเอามนุไปอยู่ในรู้ได้นะอยู่เป็นรูรูรูรูขึ้นไปโอ้โห อ, อ, อยู่เป็นกล่องเป็นรู้เลย แล้วโฆษณาว่ารูนี่สุดยอดมนุษย์เชื่อกันไปแนวไปแนวเลยนะอ้๋มันก็เออเข้าไปอยู่ในรูลาบากลาบนกันนะเข้าไปอยู่แออัดอยู่ในรูแล้วก็จินตนาการมั ส, สุดยอดสุดยอดตามคำโฆษณาได้ทั้งๆที่มันหลบหนีจากความจริงธรรมชาติไปอยู่เป็นมนุษย์รูข <c oughs> ้ขนาดนั้นเ <c oughs> ข้าไปก็ปิดปั๊บปั๊ป๊ป๊ป๊เป็นมนุษย์รู นี่ยนมนุษย์รูนีเรียกออกจากรูไม่อยากออกนะเพราะมันเคยสัญญาไม่อยอมสุดอยอดแล้วชอบรู้สึกปลอดภัยอยู่ในรูแล้วปลอดภัยยังกลายเป็นจวนด้วมกลาเป็นตัวหมูน้องนแล้วโผล่นะแล้วก็ปิดเป็นมนุษย์รู <c oughs> นั่นแหละมันไม่เห็นความจริงกัน พอกลับไปเห็นขึ้นมาแล้วโอ๊ยมเหฮ้ยเราเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแล้วยังไม่ชักชวนนี่คนอื่นยุยไปซื้อในราคาแพงด้วยเนี่ยไอซื้อมาเป็นมนุษย์ลูนี่สวยว่าไงเนี่ยมันแยกตนเองออกจากธรรมชาติแล้วก็มาสร้างจินตนาการด้วยประพัน ญ, ญสัญญาเป็นกิเลสตัวปัน่นแล้วก็จินตนาการแล้วก็ออกมา โฆษณาประปันธ์ข้อสัญญาตัวนี้ที่ตนเองคิดวิจิตปัญจพิสดารที่เป็นไปประกอบเป็นไปกับมันซ้อนเสริมอะไรเงี้ยเนยบรรยายมันน่ารักสวยงามเะไรเงี้ยน่อันนั้นน่าเกลียดน่ากลัวน่าชังอากาศมันร้อนทำามอยู่นี่เย็นโคตนาการ โอ้โหวาดภาพมันจะสวยเลยนะพไปแลพอไปอยู่จริงๆก็มึนทั้งๆที่ใช้คําว่าลําบากมากลําบากมากเลยที่ไปอยู่อย่างนั้นนะแต่ไอ้ป้ายมันสวยโฆษณาเขียนจินตนาการมีทะเลสาบมีต้นไม้เขียวๆนั่นอยู่อากาศเย็นสบายมีภาพอย่างเงี้ยมีภาพคนอย่างเงี้ย แต่เข้าไปจริงๆอ่ะเดือดร้อนกันมบปากมุมปากแต่มมันไม่เห็นฮะมันไม่เห็นเพราะมันอยู่กับอะไรสัญญาปาปันจะสัญญาเล่นไันไอสัญญาตัวปันว่าเราอยู่ในคอนโดราคาแพงรถในราคาหรูวรางนั้นเถอะคอนโดที่ปลอดภัยมีบริการมียามเฝ้ามีโอ้จะเข้าไปก็ยากแล้วของเยังเข้าไม่ได้ต้อง ต้องใช้คลาสให้เลยก็ไม่รู้มันเข้าไม่ได้ mm hmm. เห็นนี่โอ้กว่าจะเครียดเห็นอยากเงินนั่นเนี่ยต้องค่อยๆพูดมาพอเห็นปั๊บเนี่ยแล้วมีรถอนหอมหวานไม่เคยเห็นเลยโอ้ <S <S 2> <S 2> มันเป็นน้าที่ควาล้างไยแต่ก่อนมันเจริญไงแต่ก่อนเราถูกสอนให้เจริญแต่ตอนนี้พระเจ้าสอนให้ละ ใช่ไหล่ะเหนเวลาท่านมองเนี่ยมันจะได้เข้าใจความจริงสักทีต้นไม้ที่ขึ้นแต่ละต้นอิดหินดินทั้งหลายเลยเนี่ยงั้นถ้ามองแง่บูชาคนลาเรื่องอดินมองเงี้ยจริงจงมันมาจากประพันธ์จากสัญญามันไม่ใช่มาจากกุศล <c oughs> ยังปล่อยกัง <c oughs> <c oughs> ก็เรื่องท่านนะท่าน น, นี่เห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยโอจริงๆมันเป็นงนี้ที่ไหนเล้วตัวจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยสัตยาฉันเนี่ยลำบากมากใช่ไหมการเกิดจากการปรุงแต่งซ้อนเสริมแล้วละท่านก็ทํา ถ้ายัางทําอาสนายมีไฟลุกได้ที่พระพุทธเจ้านั่งยังมีไฟลกไุลไฟลกได้เลยใช่ไหมอาสนะยท่ า, า น, นทําเพื่อท่า น, นทําเพื่ออะไร<า>หรือทําเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าหรือทําเพื่อให้คนตื่นเต้นเออนั่นแหละสัญญาพอมอนเสริมไม่ได้ทําบูชาเลย ว่าเออว่าฉันสุดยอดเลยฉันทำได้ <c oughs> ไมันทำไมรู้มีจัน้นมีก็บอกมันเป็นเงินไปแล้วโอ้โหท่านท่านนเก่งจริงๆเลยไม่ใช่นั่นก็คือขยายทำไม่โลภะโทสะโมหะแทนที่จะช่วยเกิดความรู้ แทนที่จะช่วยเกิดปัญญาแทนที่จะช่วยเกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสมาอชิวสัมมาวิมารสมาสติสมาสมาธิมันกล่าวการทําให้เกิดสมัสมมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจาจะถึงมิจฉาสมาธิทําให้เกิดความไม่รู้แทนที่จะให้เกิดปัญญาคือวิชาคือความรู้เนี่ยมันเลยปรุงแต่งไปปรุงแต่งมาทําให้เกิดอวิชชาเพราะอวิชชาก็เลยเป็นปัจจัยเกิดสังขารเนี่ย ต่งกันก็เป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยเกิดนามรูปสารยานะภสษะเวทนาตัณหาปัฏฐานชาติชรามันณะโสกกาลปริเทวะทุกขโทนนัสสาวาญาตความเกิดขึ้นอย่างมหันตุก็นไปด้วยอาการอย่างนี้เห็นไหมนี่เป็นวิชาแสดงโอ้นี่เห็นเส้นเส้นสายของมันเป็นไปหมดเลยเป็นอย่างนี้ดลงนม้นถ้ารู้ลักษณะ หมายรู้ลักษณะที่สนองความอยากได้อยากเอาหมายรู้ที่จะเป็นเจ้าของก็เป็นผู้ครอบครองเป็นตัวนี้ก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดความรู้สึกชังรู้สึกชอบขึ้นมานิ่นตปรุงแต่งต่อออกจากความรู้ความไม่รู้ครอบ ง, งับปรุงแต่งความเผือไปเยอะมากนี่นี่บาปัญญสัญญาเที่กิกเลสสัญญานี่ปรุงแต่งที่เป็นอกุศลชํานาญไว้ตัวนี้ <c oughs> จํานานแล้วคล่องเลยลงไปใช้บริการเลยตอนไปนั่งโอ้ยคล่องปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื ด, ป ด, ป ด, ปดโอ้โหวบบนั้นออกมาวิจิตมากว่า น, นัให้คนที่มีกําลังทั้งหลายตัเนี้ยกําลังทราบกําลังยศกําลังอํานาจมันจะมีตัวนี้เป็นตัวผักนั่งรถออกไปเนี่ยมันเขียนเต็มไปหมดนะนโยบายกะอ น, น, น <c oughs> เนยโอ้โหมันเก่งนะโยบยปะปันจะสัญญาเต็มไปหมดเลยอู้โวตายเลยนะโยบาะเขาใช้คำว่านะโยบาะคือว่าใครมีปะปันจะสัญญาที่วิจิตปัรจงควาเผลือมากคนคนนั้นจะถูกเลือกเห็น <c oughs> <c oughs> ไหมจะถูกเลือกทันทีเลยนะลองหาคนที่คิดวิจิตมันได้คนนี้เลยดห็นไห คือพอเห็นป้ายแล้วใช่เลยอ่ะนี่แหละโดนใจปวะวัวเลยโอ้โหอยากจะอยากแคให้ถึงวันที่ยี่สิบสี่เร็วๆจะเป็นเลือกเหมืนอนคนจะสร้างไอ้ตัวนี้ขึ้นมามันคนจะผลิตทกษัตริย์หมดเต็มเต็มประเทศแน่นอนว่าไงโอ้โหโครงการลดไปลอยฟ้าลดไปใต้ดินอะไรเงี้ยนะโครงการอเชื่อมต่อ ข, ขยายอะไรก็ว่าไป บงังกันเด้อมันมี ค, น, ค น, นมานั่งเผลอเพลอพร่ามไปไหนไเราฟังอะเราก็มีประปันจะสัญญาอยู่เราคิดตามเล ย, ยโอ้โหวันนี้คิดดีตามกันเป็นแถวเลยทียนี้ฟังกันเด้อนี่แหละจากตรงนี้พอรู้จักปปันจะสัญญาแล้วก็ เงินเดียวกยังไม่ถึงไง น, นี้อันนี้บอกนี่บอกสมุทัยไทยก่อนไม่เห็นว่าโลกใบนี้มันขับเคลื่อนด้วยมันจะสัญญาอ่ะแต่นี้ถ้าเราเริ่มเริ่มเห็นแล้วนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั้นไปที่ไหน จะได้กำหนดหมายให้ถูกแทนที่จะกำหนดหมายด้วยปปันจัสัญญา อ, อกุศลสัญญาเป็นสัญญาที่มันซับซ้อนซ่อนเงินเป็นเกิดจากการแต่งเสริมเติมต่อให้พิสดารของตระหนักรูนาติฐิซึ่งหมายถึงกิเลสสัญญาเป็นสัญญาที่เกิดจากกิเลสสัญญาที่ประกอบด้วยกิเลสสัญญาจำพวกนี้มันปรุงให้ฟ้้มเผือแล้วก็เช้ใช้ออกนอกทางความรู้เนี่ยพอเราไปเห็นผลผลิต ของสัญญาฝ้ามเฟือตัวนี้ออกมาแล้วก็เลยต่อสัญญาฝ้ามเฟือต่อมาอีกจินตนาการต่อบางทีเราไม่ชอบแหม้ไม่น่าทำตรงนี้เลยเครียดขึ้นมาเลยมาสร้างตึกตรงนี้มันน่าจะทุบออกถ้าทุบออกน่าจะล่มหุต้นไม้สัญญาฝ้ามเฟือไปกวาดตาไอ้นี่จเจ้าต้นไม้ไอ้นี่จเจ้าตึกน่าจะทาสวนสาธารณนะมันน่าจะขุดคลอง อ้โถ้ามีใน้ำเฉยเฉยิวไหลผาเนี่ยโอ้บรรยากาศจ ะ, จะล่มลื่นขนาดไหนนโยบายบ้านน้อยในปากใหญ่เข้าใจยังเราไปมองอะไรพวกบขึ้นมามันจะคิดอีกมุมหนึ่งแล้วก็ชวนให้คนอื่นคิดตามเขาอีกมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้มันเป็นกิเลสตัวปัง จริงไหมละ่ะออย่างท่านเห็นคนเขาไปตัดต่อหรือถ่ายภาพมาให้ท่านดูท่านจะปุ๊บมันต้องอย่างนี้โทกัสสัจจะอย่างนี้ไม่วิจิตถาของฉันนี่ะฉันทำโทกัสสัจจะได้มากกว่าได้ดูดีกว่าก็สร้างโทกัสสัจจะขึ้นมาใช่ไหมสร้างจิตนาการมาอย่างนี้โอเคกว่าดีกว่าโอ้ใช่ว่านั้นโอ้คิดได้ยังไงในมุมนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยประพันธ์สัญญาทางนี้เพนั้นหม่ส์จริงไม่แปลกว่าทำไมสังสารวัตรตองยืดเยื้อเพราะมันมีตัวกิเลสพิสดารตัวนี้เริ่มเข้าใจเนี่ยทีนี้สัญญาที่มันเกิดขึ้นในลักษณะของกิเลสเหล่านี้นี่แหละที่มันเป็นปัญหา แล้วก็จะเต็มไปหมด เ, เต็มไปหมดแล้วไปเห็นสระน้ำแล้วก็จะชอบใจแล้วไม่ชอบใจแล้วก็จะปรุงแต่งไปเห็นรถก็ชอบใจไม่ชอบใจก็จะปรุงแต่งต่อไปเห็นบ้านไปเห็นที่ดินไปเห็นอะไรก็แล้วแต่มันรู้สึกว่ามันอยากจะไปปรุงแต่งต่อทุกเรื่องเลยไมอะมันหยุดไม่ได้ ใช่มมันหยุดไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันมันเพื่อตอบสนองความตต้องการมันเป็นมันเป็นยาเสพติดมันหิวโหยมืมันหิวโหยมอขนาดนอนยังฝันหนึ่งวันอรออาจารย์ชี้แจงคำว่าทำให้ออกจากหากงความรู้ได้ไหมครับ ก็มันอยู่แค่วิตกมันแค่มันแค่กิเลสสัญญามันแค่ทิฏฐิทิฏฐิมันก็รู้ใช่ไหมถามว่าไออุปกรณ์เหล่านี้มันเป็นปัจจัยต่อการเรามันมีความตระหนักว่าเมื่อทําสิ่งนี้แล้วมันเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไหมเป็นไปเพื่อความคลายกาหนัดไหมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไหมเป็นไปเพื่อตัดสรุปไหมเป็นไปเพื่อพระนิพพานไหม อา้านั่นแหละนั่นแหล ะ, หละอย่างนี้อันนี้ไงมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อปัญญาเป็นไปเพื่ออวิชชาเป็นไปเพื่อสังสารวัฏ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้เพื่อ <c oughs> จริงไหมไมันเป็นอย่างนั้นจริงมันไม่ได้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเลย <c oughs> นี่เราเห็นโทษของปปัญญสัญญา เป็นตัวปัดอย่างนี้ตัณห า, ม, ามันเกิดร่วมกับตัณหามาทิ่ติโอ้โหรายละเอียดมันเยอะถ้าแจกแจงออกไปไม่จบไม่สิน้น <c oughs> ปรนนธาทุกข์ศาสตร์มีปรณนาอัฐถามากมายพยัญชนะมากมายหยิบเรื่องไหนมาเห็นหมดจะหยิบเรื่องต้นไม้จะหยิบเรื่องดินจะหยิบเรื่องตึกจะหยิบเรื่องบ้านจะหยิบเรื่องนาฬิกาจะหยิบเรื่องตู้เย็นจะยิบเรื่องพัดลม จะหยิบเรื่องแอร์จะหยิบเรื่องเครื่องบินหยิบมาพูดพารนากันไม่จบไม่สิ้นพยัญชนะหลากหลายอัถธรรมหลากหลายนี่แค่ทุกขศัิย์ไอ้ทุกขศัพท์เหล่าเนี้ไอ้ตัวเนี่ยปปปันจะสัญญาเป็นตัวผลิตเป็นตัวสร้างมาแล้วปปปันจะสัญญาก็ไปปรุงแต่งพวกนี้ยเห็นว่างามเห็นว่าดีเห็นว่าชอบใจไม่ชอบใจเห็นว่าจะเนี่ยจินตนาการต่างๆเหนี้ไม่จบไม่สิ้นมีอัดเป็นหลายร้อย มีอาาัฏถะมีพยัญชนะมากมายมองเห็นนี่ยังมันเป็นอย่างนี้เราจะเห็นการทำงานของกิเลส ต, ตรงนี้โอ้โหไม่หยุดไม่หยุดการสืบต่อได้อาหารตลอดนิสปปัญญสัญญาทีนี้ถ้าเป็นสัญญาที่เกิดจากความดีงามหรือเกิดจากความรู้ความเข้าใจยังถูกต้องเรียกว่ากุศลสัญญาบ้างวิชาภาคยิสัญญาบ้าง อันนี้เป็นสัญญาที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญของปัญญาอันนี้เป็นความงอกงามแห่งกุศลธรรมรู้ลักษณะการที่ชวนให้เกิดความโลนเนี่ยเป็นมิตรนะเป็นลักษณะที่แสดงภาวะที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนะภาวะที่เป็นไปเป็โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นตัวตนเป็นวิชาภักิญาติสัญญานะเป็นสัญญาที่ช่วยเกิดวิชาหรือเกิดจากปัญญาโอ้อันนี้ต้องอีกยาวเลย ทีนี้ถ้าเรามองถึงย้อนกลับไปถึงปปัญจะสัญญาก่อนไอวิชาภาคย์สัญญาดูขึ้นว่าที่หลังยาวเพาเรื่องยาวมากต้องเอาสัญญาสิบมาจับเลยก็ว่าอีกทีไอปปัญจะสัญญาหรือปปัญจะสัญญาสังขาก็ได้แก่ส่วนนะสังขาแปลว่าส่วนปปัญจะสัญญากับปปัญจะได้แก่สัญญาที่ประกอบไปด้วยกิเลสเขตแห่งเนื่อนช้าคือตัณหาเมลทิตฐิ กิเลสที่เนื่นช้านั่นเองท่านกล่าวเป็นชื่อของสัญญาหรือปะปน ญ, ญัดสัญญาก็หมายถึงว่าอาการที่มันคลอเคลียพัวพันอยู่กับอารมณ์คลอเคลียพัวพันอยู่กับสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มันมันไม่อยากมันจะมานัศการเรื่องอะไรมันก็ดึงอยู่กับเรื่องนั้นนามาคีบอยู่นี่นแหละวอก ว, วนอยู่กับเรื่องนั้นแหละหมุนอยู่กับเรื่องนั้นนะมันไม่ออกบังให้เดา อยจะรักใครสักคนเงี้ยมันก็คลองเครียอยู่นี่แหละคีดเตื่อเขาอยู่ น, น, นี่แหละเพราะงั้นดีหรือว่าคอมพิวเตอร์ ส, สักเครื่องหนึ่งเงี้ยมันก็คี้ถึงมันอยู่ น, น, ออนั่นแหละเอมเนี่ยมันมันคลอเครียดปา ก, กาสมุดโต๊ะเก้าอี้พัดลมหรือไปตรงไหนมันคลอเครียดไหมเนี่ยมันคิดคลองเครียปุงแต่งในเรื่องพัวพันอยู่กับลมปุงแต่งต่างๆด้วยแรงของตันหามันนะและที่ถับดัน หรือเพื่อจะสนองตัญหามนาทิฏฐิหรือปรุงแต่งที่ในแง่ที่จะเป็นของฉันให้ตัวฉันเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาหรือเป็นไปตามความเห็นของฉันออกมารูปอาการต่างๆมากมายพิสดารก็เลยเกิดปปันจัดสัญญาในแง่ต่างๆในส่วนต่างๆนี่เองนี่แหละมันเป็นไปลักษณะนี้เขาเรียกว่าสังขารมันส่วนใช่ไหมปปันจัดสัญญาสังขารมันเป็นแง่ต่างๆแง่ไหน อันนี้แง่ชอบน้ำไปเรื่องน้ำอีแง่ชอบดินไปเรื่องดินแง่ชอบไฟไปเรื่องไฟแงชอบลมอั น, น้แง่ชอบตึกอั น, น้แง่ชอบสวนงในสวนต่างๆไปกันปั่นไปหมดเลยมั่วเลยวิ่งกันวุ่นว่นมาขาจบวชผ้ามัยังเล่นขาบาดโอ้ขาบาดนี่สวยเล่นขาเล่นขาบาดอีนึงเล่นเล่นถุงบาดจริง บ อ, อ่เนี่ยสวยมันไม่รู้จะเล่นอะไรเล่นขาบา ท, ทุกแพงดีว่าขาบาทนี่แพงว่าไอสลกบาทดีไหมไอเนี่โรมบาทเอามาอวดันี่ น, นี่ของผมเงาเป็นปีกแมลงทับเลย <c oughs> โอ้มนเล่นหมดเลยเนี่ยปะปนจะสัญญาขนาดนั้นขนาดมาบวชแล้วมันเกาะติดนะมันนงดูพระเจ้าสแสดงเลยเลยมาทุปินทิกะสูง พอมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วหอมหวานัหมสมควรแก้เวลา